อุปชายวัตรข้อหกภิกษุทั้งหลายเสรตทิวิหาริกพึงประพฤติโดยชอบในอุปชาวิธีประพฤติโดยชอบในอุปชานั้นมีดังนี้สรตทิวิหาริกพึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ถอดรองเท้าหอมอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งถวายไม้ช่ำระฟันน้ำล้างหน้าปูอสนะถ้าข้าวต้มมีพึงล้างภาชนะใส่ข้าวต้มเข้าไปถวาย เมื่ออุปชาฉันข้าวต้มเสร็จแล้วพึ่งถวายน้ำรับภาชนะมาถืออย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดล้างแล้วเก็บนำไว้เมื่ออุปชาลุกขึ้นแล้วพึงยกอาสนะเก็บถ้าที่นั้นรกพึ่งกวาดถ้าอุปชาต้องการจะเข้าหมู่บ้านพึ่งถวายผ้านุ่งรับผ้านุ่งอาศัยถวายประคตเอวถวายสังกาติที่พับซ้อนกันล้างบาดแล้วถวายพร้อมทั้งน้ำ เทประชาหวังจะให้เป็นปัจชาสมณะพึงนุ่งห่มให้เรียบร้อยปกปิดได้ปริมณฑลสาคาดประกดเอวห่มสังคาติที่พับซ้อนกันตัดลุกดุ่มล้างบาทถือไปเป็นปัจชาสมณะของอุปชาพึงเดินไม่ให้ห่างนักไม่ให้ชิดนักพึงรับบาทที่มีของบรรจุอยู่เมืออ่อประชากําลังกล่าวไม่พึงกล่าวสอดขึ้นในระหว่าง ประชากล่าวถ้อยคําใกล้ต่ออาบัตพึงห้ามเสียเมื่อประชาจะกลับพึงมาก่อนแล้วปวัสนาไว้พึงเตรียมน้ําล้างเท้าตั้งรองเท้าระเบื้องเช็ดเท้าไว้พึงลุกขึ้นรับบาดและจีวรพึงถวายผ้านุ่งอาศัยรับผ้านุ่งมาถ้าจีวรชุ่มเหงื่อพึงพึงแดดครู่หนึ่งไม่พึงพึงทิ้งไว้ที่แดดพึงพับจีวรเมื่อจะพับจีวร พึงพับจีวรให้เหลื่อมมุมกันสีนิ้วตั้งใจว่าตรงกลางจะได้ไม่มีรอยพับพึงม้วนประคดเอวใส่ขนดจีวรถ้าบินทบาทมีและอุปชาต้องการจะฉันพึงถวายน้ำแล้วน้อมบินทบาทเข้าไปถวายนำน้ำฉันมาถวายเมื่ออุปชาฉันเสร็จแล้วพึงถวายน้ำรับบาดมาถืออย่างระมัดระวังไม่ให้คลูด ล้างแล้วเช็ดให้เสด็จน้ำพึ่งแดดคู่หนึ่งไม่พึง่งพึ่งทิ้งไว้ที่แดดพึ่งเก็บบาทและจีวรเมื่อจะเก็บบาทพึ่งใช้มือข้างหนึ่งถือบาทใช้มือข้างหนึ่งคลำใต้เตียงหรือใต้ตังจึงเก็บบาทไม่พึ่งเก็บบาทไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองเมื่อจะเก็บจีวรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวรใช้มือข้างหนึ่งรูปราวจีวรหรือสายระดีง เอาชายไว้นอกเอาขนดไว้ในจึงเก็บจีวรเมื่อปชาลุกขึ้นแล้วพึงยกอาสนะเก็บพึงเก็บน้ําล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าถ้าที่นั้นรคพึงกวาดถ้าปชาต้องการจะสงน้ำํำพึงจัดน้ํำสงถวายถ้าท่านต้องการน้ําเย็นพึงจัดน้ําเย็นถวายถ้าท่านต้องการน้ําอุ่นพึงจัดน้าอุ่นถวาย เท่าประชาต้องการจะเข้าเรือนไฟพึงบทจุรนพึงแช่ดินถือตั่งสำหรับเรือนไฟเดินตามหลังอุปชาไปถวายตั่งสำหรับเรือนไฟแล้วรับจีวรมาวางหน้าที่สมควรพึงถวายจุรนและดินถ้าสามารถพึงเข้าไปเรือนไฟเมื่อจะเข้าเรือนไฟพึงเอาดินทาหน้าปิดหน้าและหลังจึงเข้าเรือนไฟในพึงนั่งเบียดพระเถระ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 ตั่งสำหรับเรือนไฟมาก่อนปูอสนะเตรียมน้ํำล้างเท้าตั่งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้นําน้าฉันมาถวายอุปชาถ้าอุปชาต้องการจะให้เรียนพึงเรียนถ้าอุปชาต้องการจะให้สอบถามอัดพึงสอบถามอุปชาอยู่ในวิหารใดถ้าวิหารนั้นสกปรกถ้าสามารถพึงชําระให้สะอาด เมื S <S <an> ่อจะชำระวิหารให้สะอาดพึงขนบาตรและจีวรออกก่อนวางไว้หน้าที่สมควรพึงขนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนฟูกหมอนออกมาวางไว้หน้าที่สมควรเตียงตังสัตว์ที่วิหาริกพึงยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูคนออกไปตั้งไว้หน้าที่สมควรเขียงรองเตียงกระโถนพนักพิงพึงขนออกมาวางไว้หน้าที่สมควร ลมปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไว้เดิมค่อยขนออกมาวางไว้ณที่สมควรถ้าในวิหารมีหยากเยื่อพึงกวาดเพดานลงมาก่อนกรอบหน้าต่างและมุมห้องพึงเช็ดถ้าฝาที่ทาน้ํามันหรือพื้นทาสีดําขึ้นราพึงใช้ผ้าชุบน้ําบิดแล้วเช็ดถ้าเป็นพื้นไม่ได้ทาพึงใช้น้ําประบพรมเช็ดอย่าให้วิหารคราข่ําด้วยฝุ่นละอองพึงเก็บหยากเกี้ยวไปทิ้งณที่สมควร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 พึงปิดหน้าต่างกลางวันเปิดกลางคืนถ้าบริเวณซุ้มโรงฉันโรงไฟวัชกุฎีรกพึงปัดกวาดถ้าน้ำฉันน้ำใช้ไม่มีพึงจัดเตรียมไว้ถ้าหม้อชมระไม่มีน้ำพึงตักน้ำใส่หม้อชมระเท่าประชาเกิดความไม่ยินดีสัตติทวิหาริกพึงช่วยระงับหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยระงับหรือพึงแสดงทำกระถาแก่อุปชา ถ้าประชาเกิดความรำคาญสัตว์ที่วิหาริกพึงช่วยบรรเทาหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทาหรือพึงแสดงทำกถาแก่อุปชาถ้าอุปชาเกิดความเห็นผิดสัตว์ที่วิหาริกพึงให้สละเสียหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยให้สละเสียหรือพึงแสดงทำกถาแก่ยวอุปชาถ้าอุปชาต้องอาบัตหนัก ควรแก่ปริวาสสัตธิวิหาริคพึงทําการควรขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอะสงพึงให้ปริวาสแก่อุปชาถ้าอุปชาควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมสัตธิวิหาริกพึงทําการควรขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอะส่งพึงชักอุปชาเข้าหาอาบัตเดิมถ้าอุปชาควรแก่การมานัดสัตถิวิหาริคพึงทําการควรขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอะทรงพึงให้มานัดแก่อุปชาถ้าอุปชาควรแก่อับพานสัตทิวภาริกพึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอทรงพึงอับพานอุปชาถ้าทรงต้องการจะทํากรรมคือตัชนียกรรมนิสัยกรรมปภาชณียกรรมปฏิสรณียกรรมหรืออุเขปณียกรรมแก่อุปชาสัตทิวิหาริกพึงทําการขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอทรงไม่พึงทำกรรมแก่อุปชาหรือพึงเปลี่ยนไปเป็นโทษเบาหรือว่าอุปชาได้ถูกสงลงตัชนิยกรรมนิสัยกรรมปรับพาชนียกรรมปฏิสารณียกรรมหรืออุเค ป, ปนิยกรรมแล้วสัตวิวิหาริกพึงทาการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนออุปชาพึงกลับประพฤติชอบพึงหายเย่ยยิง พึงกลับตัวได้ทรงพึงระงับกรรมนั้นเสียถ้าจีวรของอุปชาจะต้องซักสัตธิวิหาริกพึงซักหรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครใครพึงซักจีวรของอุปชาถ้าจีวรของอุปชาจะต้องตัดเย็บสัตธิวิหาริศพึงตัดเย็บหรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครใครพึงตัดเย็บจีวรของอุปชา ถ้าน้ำย้อมของอุปชาจะต้องต้มสัตธิวิหาริกพึงต้มหรือพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรเนอใครๆพึงต้มน้ำย้อมของอุปชาถ้าจีวรของอุปชาจะต้องย้อมสัต <inte> ว <Yeah. S 1> ิวิหาริกพึงย้อมหรือพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรเนาใครใครพึงย้อมจีวรของอุปชาเมื่อจะย้อมจีวรพึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาดี เมื่อหยาดน้ำย้อมยังหยดไม่ขาดสายไม่พึงหลีกไปสัตว์ทวิหาริกไม่บอกอุปชาไม่พึงให้บาทแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงรับบาทของภิกษุบางรูปไม่พึงให้จีวรแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงรับจีวรของภิกษุบางรูปไม่พึงให้บริหารแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงรับบริหารของภิกษุบางรูปไม่พึงปรงผมให้ภิกษุบางรูป ไม่พึงให้ภิกษุบางรูปปรงผมให้ไม่พึงทำบริกรรมแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงให้ภิกษุบางรูปทำบริกรรมให้ไม่พึงทำการขวนขวายแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงส่งภิกษุบางรูปให้ทำการขวนขวายไม่พึงเป็นปัตชาสมณะของภิกษุบางรูปไม่พึงพาภิกษุบางรูปไปเป็นปัจชาสมณะไม่พึงนำบิณฑบาตไปถวายภิกษุบางรูป ไม่พึงสั่งภิกษุบางรูปให้นำบินธบาทไปถวายสัตวิที่วิหาริกไม่บอกลาอุปชาไม่พึงเข้าหมู่บ้านไม่พึงไปป่าชา้าไม่พึงออกไปต่างถิ่นถ้าอุปชาเป็นไข้พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตพึงรอจนกว่าอุปชานั้นจะหายอุปชาเยวัดตกถาจบ